หลักความจริงและกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมในพุทธพจน์ที่ตรัสถึงการตรัสรู้ของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงประมวลสรุปธรรมะที่ตรัสรู้เป็นสองอย่างครั้งที่ชัดมากคือพระดรําริหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆนับตามลำดับเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นสัปดาห์ที่ห แต่นับตามอัธกถาที่เล่าเหตุการณ์แทรกเพิ่มอีกสามสัปดาห์เป็นขึ้นสัปดาห์ที่8ทรงปราวบว่าธรรมะที่ตรัสรู้อันได้แก่อิทธปัชยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพานนั้นเป็นของทุนกระแสคนทั่วไปเข้าใจยากจึงไม่น้อมพระไทยไปนในการที่จะทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ท่านเล่าไว้ในพระวินัยปิฎกโดยลาดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ตรัสรู้แล้วยังประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ไปจนแสดงปฐ ม, มเทศนามีปฐมมสาวกมีการอุปสมบทเกิดพระสงฆ์เกิดการบวชแบบต่างๆและมีพระวินยัยสืบมาพระดำริที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นเป็นเหตุการณ์ต่อจากเสวยวิมุตติสุขตามที่อัถกราว่าผ่านไปเจ็สัปดาห์แล้ว ก่อนจะเสด็จจากที่ตรัสรู้ไปทรงแสดงธรรมที่อิสิปตนะเมรุกัททยวันเมืองพรารานสีทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นเหตุการณ์แรกที่ท่านเล่าไว้เริ่มด้วยพระพุทธอุทานสามคาถาตั้งแต่ราตรีแรกในสัปดาห์ที่หนึ่งของการสวยวิมุตติสุขกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงมณสิการปฏิจจะสมุบาท ทางอนุโลมและปฏิโลมบาลีว่าปฏิจจะสมุปปาทางอนุโลมปัติโลมังมนาสากาสิพึงสังเกตว่าที่นี่มีแต่คําว่าปฏิจจะสมุปบาทไม่มีคําว่าอิทัปัญยตาและทรงเปล่งพุทธอุทานในยามทั้งสามแห่งราตรียามละหนึ่งคาถารวมเป็นสามคาถา แม้ว่าครั้งนี้พุทธพจน์ซึ่งเป็นคำร้อยกรองจะไม่ได้ระบุชื่อธรรมะที่ตรัสรู้ออกมาชัดรงอย่างคราวทรงปรารพ ก, การออกแสดงธรรมแต่ก็เป็นคำจำพวกไวัยพจน์ที่ผู้ได้เล่าเรียนรู้กันไม่ยากว่าก็คือตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทและนิพพานดังพุทธอุทานว่าคาถาที่หนึ่งเมื่อใดแล ธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชนผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของวิสุทธชนนั้นยอมสิ้นสลายหายไปเพราะรู้ชัดธรรมะพร้อมทั้งเหตุบาลีว่าสเหตุตุธรรมะซึ่งเท่ากับทุกข์บวกสมุทยัยคาถาที่สอง เมื่อใดแลธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชนผู้มีความเพ่งเพียรอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของวิสุทธชนนั้นยอมสิ้นสลายหายไปเพราะได้รู้ถึงภาวะที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายบาลีว่ากยังปัจจญานังแปลว่าปัจจัาไขคือนิพพาน คาถาที่สามเมื่อใดแลธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชนผู้มีความเพ่งเพียนอยู่เมื่อนั้นวิสุทธชนกำจัดมาและเสนาเสดายดำรงอยู่ดุดดวงสุริยาทอดแสงสองท้องฟ้าเจิดจ้าอัมภัยคาถาที่หนึ่งว่าโดยสาระก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลม ที่คำพีชันอัถกถาบางทีเรียกว่าสมุทัยวาระซึ่งแสดงทุกขาสมุ ท, ทยัยคือกระบวนเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกเกิดขึ้นพูดกลับกันว่าทุกพร้อมทั้งสมุ ท, ทยัยคาถาที่สองว่าโดยสาระก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏิโลม ที่คำภีจนอัตถกถ า, าบางทีเรียกว่านิโรธวาระหรือนิโรธวาระซึ่งแสดงทุกขานิโรธคือการถึงภาวะไร้ทุกหลอดทุกหรือไม่มีทุกเกิดขึ้นด้วยความสิ้นสลายแห่งเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกขเกิดขึ้นหรือความไม่เป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองจึงว่าหมายถึงนิพพานอันเป็นภาวะที่สิ้นไร้เหตุปัจจัยแห่งทุก คาถาที่สามแสดงภาวะเมื่อตรัสรู้แล้วผู้แจ้งนิโรธประจักษ์นิพพานมีโพธิปัญญาโล่งสว่างปลอดโปร่งเป็นอิสระอัธะะทธกถาอธิบายว่าเป็นคาถาที่แสดงอนุภาพของอริยมรรคหมายเหตุในคำแปลคาถาทั้งสามคำว่าวิสุทธชน คำบาลีเดิมว่าปรามณะซึ่งในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์หรือพระขีณาสพเป็นการเรียนความหมายของพรามณะที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ลอยบาปแล้วคือเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอันว่าพุทธอุทานคาถาชุดนี้มีความหมายชี้ไปที่หลักธรรมอันเดียวกันกับพระพุทธดําริข้างต้น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 และความจริงที่เป็นปรมาสั จ, จของวิสังขารหรืออสังคตาธรรมพร้อมกันนั้นก็ต้องย้ำความเข้าใจไว้ด้วยว่าการเข้าถึงความจริงที่ว่านั้นมีความหมายโยงไปที่และรวมอยู่ในตัวและเท่ากับความจริงแห่งธรรมนิยามชุดที่สามที่เรียงต่อเป็นสองสามสี่คืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาด้วย ทีนี้ในพระสุตรตันตปิฎกมีหลายสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าการเสด็จออกผนวดและการบำเพ็ญเพียรของพระองค์จนตรัสรู้เช่นปาสราสีสูตรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยปริเยสนาสูตรพุทธพจนสำคัญก็คือตรงที่ตรัสถึงการตรัสรู้ว่าเรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวยายาัคยญาณ คื อ, อยานที่ทำให้สิ้นอาสวะหรือคือการตรัสรู้เรานั้นรู้ชัดตามที่มันเป็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธฆาไม่หนีปฏิปทารู้ชัดตามที่มันเป็นว่าเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรธฆาไม่นีปฏิปทา เรานั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วพระดำรัสในพระสูตรนี้บ่งชัดว่าธรรมะที่ตรัสรู้คืออริยสัจสี่ฟังเหมือนว่าต่างจากที่ยกมาอ้างยิงข้างต้นแต่เมื่อวิเคราะห์จริงจังก็เห็นได้ว่ามีสาระอย่างเดียวกันที่ว่าอริยสัจสี่นั้นเมื่อตรวจดูตามหลัก ก็มีสองคู่คือทุกและสมุทยัยกับนิโรธและมักถ้าดูความหมายตามธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐ ม, มเทศนาซึ่งพระวินัยปิดกเองเล่าไว้ต่อจากพระดำริในการที่จะแสดงธรรมข้างต้นสมุทัยได้แก่ตัณหาสามและนิโรธก็คือการดับละสลัดตัณหานั้น หลุดพ้นเป็นอิสระไปได้เมื่อดูตามนี้ยังไม่เห็นชัดว่าจะโยงไปถึงธรรมานิยามแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างไรดังที่ทราบกันดีตัญหาเป็นองค์ธรรมหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ในกระบวนปฏิจจสมุปบาทและก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปบาท ป่ายสมุททยาวาระเป็นกระบวนเหตุปัจจัยอันให้เกิดผลคือทุกเป็นคู่แห่งทุกข์กับสมุ ท, ทยัยคืออริยสัจข้อที่หนึ่งและสองส่วนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจะสมุปบาทป่ายนิโรธวาระเป็นการหยุดสลายหายไปของเหตุปัใจจัยในกระบวนการก่อทุกข์หรือความไม่เป็นไป ของปฏิจจสมุปบาทก็คื อ, อนิโรธอันเป็นอริยศาสตร์ข้อที่สส่วนอริยศสตร์ข้อที่สคือมรรคเป็นกระบวนวิธีที่จัดวางไว้เพื่อการที่คนจะปฏิบัติให้เกิดมีความเป็นไปาตามธรรมดาของธรรมชาติที่เป็นปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทจึงนับเนื่องเข้าในปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทนั้นด้วย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 แต่เรียกว่าเป็นการซอยธรรมนิยามแยกออกไปก็ได้ท่านใช้ชื่อรวมเรียกว่านิยามคือกฎธรรมชาตินั่นเองและจัดเป็นห้าอย่างเรียกว่านิยามห้าอุตุนิยามกฎแห่งความเป็นไปในโลกวัตถุโดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมที่เนื่องด้วยอุณหภูมิ 2. ภพีชานิยามกฎเกี่ยวกับพันธุกรรม 3. จิตานิยามกฎการทำงานของจิต 4. กรร ม, มานิยามกฎแห่งกรรมและหาธรร ม, มนิยามกฎแห่งความสัมพันธ์ในความเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะที่เรียกว่า ความเป็นไปตามธรรมดาเช่นว่าสิ่งที่อาศัยปัจจัยยอมจะต้องสิ้นสลายไปเป็นธรรมดาประโสดาบันมีอันไม่ถอยกลับเป็นธรรมดาเป็นต้นข้อน่าสังเกตในเรื่องนิยามห้านี้อยู่ที่ข้อหคือธรรมนิยามซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่มีทั้งพุทธพจน์แสดงความหมายและมีคำอธิบาย พร้อมทั้งตัวอย่างแสดงหลักนั้นมากมายแต่พอมาจัดรวมเข้าในชุดนี้น่าแปลกใจว่าพระอัฏฐกถาจารย์ไม่ได้อธิบายอย่างนั้นท่านเพียงยกเอาเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์มาแสดงเป็นตัวอย่างคําอธิบายเช่นในเวลาที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิทรงประสูติตรัสรูร้เป็นต้นเป็นธรรมดาที่มือโลกธาตุจะวันไหว เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมาดาแล้วพระมาดาจะทรงศีลเป็นปกติในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมาดาอารพาตใดๆยอมไม่เกิดแก่พระมาดาเลยเป็นต้นที่จริงธรรมดาในโอกาสต่างๆของพระโพธิสัตว์ที่มาในมหาประทานสูตรนับได้ส6บหข้อท่านใช้คำว่าธรรมตา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 แต่อาจามีแง่มุมที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ได้สำหรับผู้ฝ่ศึกษาจึงนำมาเจารณัยนแถมไว้